ท่านฟังที่ครบคะ่ะรายการนี้รายการสัสนสาีสนทนานะคะดำเนินรายการโดยสัสนสาีนาคพงศ์ค่ะเราพบกันเช้าตรู่เวลาตีห้าซึ่งจะว่าไปแล้วบางค น, นก็ตื่นเช้ากว่านี้เยอะโดยเฉพาะผู้ที่ไปปฏิบัติธรรมนีนะคะไปมาเนี่ยตื่นเช้าปรากฏว่าสุขภาพดีขึ้นกว่าตอนที่นอนนานกว่า น, นี้รายละเอียดเดี๋ยวเราไปกราบเรียนถาม ท่านเปบูร์ก็ได้นะคะเพราะว่าตอนนี้ถึงช่วงเวลาที่จะได้พบกับท่านแล้วสําหรับพระเปบูรณ์อภิปุโนจะวัดปาดรหาฮโซดอนพานิค่ะกราบในนิสิการกับท่านค่ะเจริญพรในเรื่องของการนอนน้อยและได้จํานวนความก็เรียกว่าอะไรสดชื่อ น, นะน ะ, ะอันนี้พระเจ้าก็เคยบอกว่าพระองค์เนี่ยนอนอยังไงเทคนิคการนอนของพระองค์เนี่ยชื่อว่าตถาคตสัยยานั่นคือการนอนในมีอยู่สแบบคุณโยมติว๋ว อ, อันแรกนี่ก็ชื่อว่าเป็นอะไรล่ะ เปตตาสัยยาคือการนอนอย่างเปรตอันที่2 <Oper> การนอนอย่างคนบริโภคกามคือการมัพโคี้สัยยาอันที่3มก็คือการนอนอย่างศีหะศีหะสัยยาและอย่างที่4คือการนอนอย่างตถาคตคือการนอนอย่างเปรตนี่เปลตนี่โดยปกตินอนหงายคือโดยทั่วไปเราเห็นคนตายเนี่ยสมมติโดนปีนีตายตุ้มเนี่ยก็จะมักจะนอนหงาย ค, คนนอนตายในสนามรบต่างๆเห็นโดยส่วนมากนะมักจะนอนหงาย แล้วก็คนบริโภคกามส่วนมากจะนอนตะแคงข้างเบื้องสายพุทเจ้าบอกค่ะแล้วก็คนที่ศีหะสีหะ น, นี่เป็นพยาศ จ, จะนอนตะแคงข้างเบื้องขวาคะเท้าเหลื่อมเท้าสอดหางระหว่างขาถ้าเห็นกายเคลื่อนที่ตอนล่างเนี่ยก็จะเสียใจถ้าไม่เห็นก็จะดีใจค่ะแล้วก็พระพุทธเจ้านอนอยังไงตถาคตสายยาบ่กนะพูดถึงชันหนึ่งชันสชันสามชนสี่คือนอนด้วยจิตที่เป็นสมาธนะิพระองค์ไม่ได้พูดถึงเรื่องท่าทางเลย แต่ถ้าที่ดูเท่าที่ดูในหลักฐานที่ปรากฏอยู่ในพปฏิบอดกเนี่ยส่วนใหญ่ที่เขาพูดถึงพระพุทธเจ้านอนเนี่ยก็จะพูดถึงสีหัสา ย, ายานอนสีหัสาย า, ยานนเท่านั้นเองนจะไม่ได้พูดถึงท่าอื่นที่พระพุทธเจ้านอนแต่เรื่องการทําจิตอันนี้แน่นอ น, นคือต้องเป็นสมาธิเพราะฉะนั้นถ้าจิตเราเป็นสมาธิแล้วเนี่ยแม่มันการหลับนั้นก็จะลึกหลับแล้วก็น้อยแต่มีประสิทธิภาพมากค่ะ นะคะก็ลองเลือกกันดูลองพิจารณาดูว่าขณะนี้ท่านนอนแบบไหนอยู่อืม น, นอน<ใ>น้ํานอนแบบเปลยใช่ประเนในเรื่องของการนอนสีอย่างเนี่ยก็จึงเป็นแบบพุทธบูชาในสองพันหกร้อปีการตัดสรุปค่ ะ, ะเพราะว่าเราต้องการให้ท่านรู้จักพระพุทธเจ้าของเรากันมากขึ้นนะคะว่าเรามีพระพุทธเจ้ามาสองพันหกร้อยปีแล้วเนี่ยเราได้รู้จักท่านมากที่สุดแค่ไหนอื ใ น, ในเรื่องท่าทางอีกนิดนึงคุณยมติ๋วที่ว่าการที่พระพุทธเจ้าไม่ได้ระบุว่านอนแบบท่าไหนเป็นการนอนแบบตถาคตเนี่ยนะเพราะตัวตัวนี้ปัญหาเคยเกิดขึ้นกับตัวเราเอง mm hmm. คือบางทีเราเราปวดข้างขวาแขนขวาเราอย่างเงี้ยเรานอนตะแคงขวาไม่ได้แล้วนะเราก็ต้องนอนแบบเประนอนงาย <laughs> ซึ่งไอ้เรากเ็เราจะผิดไหมเนาะเรามาดูดูโอ้พุทธเจ้าก็ไม่ได้บอกว่ามันผิดนะเออก็คงจะนอนได้แต่จิตให้เป็นสมาธิก็แล้วกัน แล้วก็อาจจะต้องมีมีกรณีอย่างนี้เกิดขึ้นแต่จิตเราต้องเป็นอย่างนี้แน่ไม่ได้จํากัดอยู่ที่ท่าทางก็แล้วกันอถึงทางการแพทย์สมัยใหม่เนี่ยอย่างกับการนอนแบบคนบริโภคการคือตะแคงซ้ายเนี่ยเขาก็ห้ามนะคะบอกว่าจะเป็นการทําให้เป็ดตะแคงทับอวัยวะที่สําคัญคือหัวใจอะคะ่ะอ๋อใช่<ม>เขาก็ไม่สรรเสริญกันแล้วดิฉนันยังเอ๊ะไปรอ ก, กันบ้านมาพูดเถ้าเจ้ามาหรือเปล่าก็อย่างหนึ่งคือเรื่องการนอนหงายเนี่ยรู้สึกว่า แถ้าจะมาจะไม่ผิดจะมีการที่บอกว่าเขากินข้าวใหม่ๆแล้วไปนอนหงายเนี่ยมันจะเสี่ยงต่อความเป็นโรคกรดไหล ย, ย้อนแล้วมั น, มนหลายอย่างนะคะท่านคือสรีระของคนเนี่ยเหมือนกับกระดูกสันหลังเนี่ยมันจะต้องมีการแอ่นนิดหน่อยใช่ไหมคะทีนี้พอเวลานอนเนี่ยกระดูกหลังมันก็ไม่ราบไปกับพื้นที่นอนซะทีเดียวนะคะมันก็เลยทําให้บางคนเขาจะต้องมีเทคนิคในการนอน ก็จะต้องพับผ้าเช็บตัวอย่างเงี้ยค่ะมันหนุนตรงที่มันว่างๆอยู่ oh. เพื่อมันจะได้ไม่ปวดหลังอย่างกับที่ชั้นเองเนี่ยนะคะขอบทันโทษนะคะถ้าหากว่าเวลานอนหงายจะง่ายจะลุกลำบากมากอื oh. มันมันจะปวดค่ะปวดที่กระดูกบางบางส่วนนะคะทั้ง oh. หมด oh. เพราะฉะนั้นเนี่ยดิฉันจึงบอกโอ้โหทรงประณีตมากแต่การนอนอย่างที่ท่านบอกะคะ่ะว่าถ้าจําเป็นต้องนอนหงายแล้วก็ลองนอนแบบมีสมาธิเนี่ยก็ได้ลองทำดูก็ดีมากเลยนะคะอืมอืมอืมใช่ นะคะท่านฟังลองทําดูค่ะเพราะว่าบางคนอาจจะบอกว่าเออดีแล้วอีกหน่อยนอนสมาธิอย่างเดียวว่านั่งสมาธิปวดหลังเหลือเกินถ้ า, ถ, าถ้าจะถ้าจะเป็นอย่างนี้นี่มันเสียหายอะไรไหมคะท่านคะในเชิงการ <G> เป็นผู้ปฏิบ <G> ัติค่ะก็ไม่เสียหายถ้าป่วยนะไม่เสียหายอะไรป่วยนี่แม่พระเจ้ายังให้นอนฟังทำได้ไม่ใช่ป่วยสิคะคือมีความรู้สึกว่าก็ในเมื่อพระพุทธเจ้าบอกว่ามีทางเลือกมากเลยเอาทีเกียดขี้เกียดเลือกท่านนอน อันนี้เป็นความขี้เกียจแล้วแล้ถ้าเป็นขี้เกียจไม่ได้ไม่ได้ <นะ S 2> ไม่ได้ไไดอันนี้คือดิฉันจะพยายามถามเนี่ยไม่ได้ถามไม่ขำนะคะแต่ว่าพยายามที่จับหลักกันให้ถูกจะได้จะได้เหมือนกับเป็นการที่ไม่ได้ตีความผิดไม่ได้เรียงบาลีไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะค่ะก็เป็นประโยชน์ไป อ, อีกประเด็นหนึ่งนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องการนอนะนะว่าถ้าเผื่อว่าออนอนแล้วเป็นผู้ผู้เจ้าเคยบอกว่าไม่ให้เป็นผู้ที่ ยินดีในการเองข้างยินดีในการเคลื่อหลับยินดีในการหลับไหลนะคืออย่างบางคนเนี่ยไปนั่งสมาธิอย่างเงี้ยใช่ไหมเอาละคาบเนี้ยฉันตั้งใจจะมาสปงกเต็มที่เลย <c oughs> คือคือแม่มันง่วงแล้วขอสปงกนี่แต่นั่งอยู่นะแล้วมีความสบายใจว่าโอ้โอดีละได้พักสักหน่อยหนึ่งอันนี้คุณผิดเลย <c oughs> หรือว่านอนแล้วเนี่ยนะนอนแล้วยังรู้สึกตัวแล้วนะแต่โอ้ยขออีกตีห้านาทีนัน่นคุณมีความยินดีในการเองข้างลนะไม่ได้อันนี้ <c oughs> เป็น <c oughs> เป็นเป็นนิวร์แล้ว อันนี้พูดถึงเวลาไปหลีกเล้นถูกไหมคะอยู่บ้านก็เหมือนกันแหละเพราะอันนี้เช้าๆเลยเนี่ยบางคนอาจจะยังอีกห้านาทีอยู่เลยนะคะฟังรายการไปด้วยอือคือรู้สึกตัวแล้วลุกขึ้นทันทีอันนี้ดีมากค่ะ ถ, ถ้าจะเป็นผู้ปฏิบัติอ้นี้จัดว่าไปอยู่ในส่วนที่จะเป็นตังหาไม่ก้าวหน้าถูกไหมคะจะไปอยู่ในนิวรณทันทีใช่มีครั้งหนึ่งอะมาก็เลเคยลองดูนะเรานอนสี่ทุ่มค่ะแล้วเราก็ คิดว่าเรารู้สึกตัวแล้วเราจะลุกขึ้นทันทีรู้สึกตัวไอทีหนึ่งตีอเที่ยงคืนเที่ยงคืนสิบห้าเนี่ยลุกขึ้นทันทีแล้วเราก็ไม่ดูนาฬิกามันล้างหน้ า, าต่างอ้าวเที่ยงคืนสิบห้าเองเหรอไอห ย, ยาล้วทําไงก็เลยเลยนั่งสมาธิไปต่อสักหน่อยหนึ่งปรกากฏว่ารู้สึกง่วงก็เลยนอนต่อไปอีกนะคะบางทีบางทีมันก็มีคลาดเคลื่อนได้อืมเพราะว่ามันอาจจะ ขึ้นอยู่ากับการที่กังวลมากเกินไปแม้พอท่านพูดแบบนี้ดิฉันกลับเป็นถามเรื่องเกี่ยวกับการนอนและการตื่นนิดหนึง่งคือมีคนที่เขาเป็นผู้ปฏิบัติค่ะใช่ปานเขาบอกว่าอาได้พบว่าพอปฏิบัติมากๆเนี่ยมันเกิดอาการค้างนอนไม่หลับอย่างเงี้ยค่ะ อ, อ๋อก็เกิดขึ้นเป็นเป็ น, ป น, ปนอย่างนี้คือถ้าเราจิตเราเป็นสมาธิเนี่ยการนอนของเราเนี่ยจะรู้สึกตัวอยู่ตลอดเวลานะี่ยคือรู้สึกตัวทํำให้บางคนคิดว่าฉันไม่ได้นอนแต่จริงๆถ้วคุณนอนอยู่ คือหลับด้วยแต่ว่ารู้สึกตัวอยู่ตลอดเวลานนั้หลับแบบรู้สึกตัวก็คือว่ามีสติรู้สึกตัวอยู่แต่ว่าพอตื่นมาแล้วร่างกายไม่เหนื่อยเนี่ยไม่เหนื่อยไม่ง่วงไม่เพลียโอแสดงว่าหลับนี้มันก็หลับอยู่นะคือร่างกายได้พักผ่อนว่างนันเถอะแต่รู้สึกตัวอยู่ตลอดอ๋อจึงอาจจะเป็นในกรณีนี้ก็ได้ใช่ไหมคะใช่โดยเฉพาะยิ่งอย่างอย่างเมื่อตอนนั้นเราพูดถึงไออีใช่ไหมค่ะ อ, อีก็มีครั้งหนึ่งเคยมาเล่าให้ฟังว่าเออเนี่ยมันเหมือนตื่นอยู่ตลอด แต่ว่าถามว่าง่วงไหมไม่ง่วงถามว่าเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยอก็แสดงว่าร่างกายได้รับการพักผ่อนแต่ว่ามันรู้สึกตัวตอนเชงคืนนี<อ>่แสดงว่ามีสติอยู่ตลอดเวลาอ๋ออันนี้อาจจะนะเป็นเรื่องหน้าดีใจอีกต่างหากใช่ใช่เป็นการพัฒนาของเราสิ่งที่เราควรทําคือเออเราจะทำยังไงให้จิตของเราเป็นอย่างนี้ได้ตลอดเหมือนดิดนิ้วสั่งค่ะนะคะเราก็เลยได้รู้อีกแง่มุมหนึ่งว่าเออถ้าปฏิบัติเป็นมากๆเนี่ยเหมือนเหมือนตื่นแต่จริงๆแล้วหลับ เพลงแตลับอย่างมีสติซึ่งเป็นเรื่องที่ดีสิดและเป็นการสะท้อนว่าท่านทั้งหลายเนี่ยปฏิบัติกันมาถึงในระดับที่พัฒนามากขึ้นแล้วอืค่ะท่านเป็นบุญค่ะที่ชั้นค้างคําถามที่คิดว่าอยากถามให้จบวันนี้ในวันก่อนตอนที่พูดถึงเรื่องของการมีสติอย่างไรที่ถูกต้องตามที่พระพุทธองค์ได้ตรัสเอาไว้นอกเหนือจากเรื่องของอนาปานสติแล้วถามไปถามมา ก็เลยทำให้ลงไปในรายละเอียดของกายคตาสติกับอนาปานสติมากเกินไปวันนี้จะกจะากราบเรียนถามถึงแค่สติสองแบบนี้นะคะว่ามีความเหมือนและมีความต่างกันอย่างไรคะสติยังไงนะอีกจริงอนาปานสติกับกายคตาสติเป็นอย่างเดียวกันหรือไม่ไม่เหมือนมีความเหมือนกันหรือไม่ต่างกันอย่างไรคะมีมีส่วนที่เหมือนกันนะคือพูดถึงวิธีการปฏิบัตินะพูดถึงวิธีการปฏิบัติเนี่ยจะมีส่วนที่เหมือนกันก็คือเรื่องของกาย กายคตาสตินะ TI, เนี่ยพระเจ้าพูดถึงธาตุสนะีธาตุสีในที่นี้คือธาตุธาตุดินน้ำไฟลมนี่แหละแล้วก็ถ้าส่วนที่เป็นลมนะส่วนที่เป็นลม น, ะ น, นลมนะั่นก็คือส่วนที่จะเกี่ยวข้องกับอนาปานสตนะิแล้วก็ยังมีส่วนอื่นนี้กายคตาสติส่วนที่เป็นกระดูเป็นหนังเป็นเอ็นการเคลื่อนไหวเอริยบทพวกนี้เป็น ก, กายคตาสติทั้งหมดส่วนที่ไม่เหมือนของอนาปานสติที่ไม่เหมือนกับกายคตาสติที่ไม่เหมือนกันก็คือจะเป็น เอที่ว่าเห็นความเกิดดับเห็นความไม่เที่ยงแล้วมีสติหายใจเข้ า, หาให้เสจออกพวกนี้ก็จะไม่เหมือนกับ ก, ยกายคขัตตสติค่ะที่ฉันกล่าวเรียนถามตรงนี้เลย ว, ว่าอย่างอานาปานาสติในส่วนที่ท่านกำลังพูดว่าไม่เหมือนกันเนี่ยอนาปานาสติก็จะเป็นเรื่องของการเห็นการหายใจเข้าเห็นการหายใจออกใช่ไหมคะใช่ลมหายใจมีสติ่ามี สัมปชัญญะอยู่กับลมหายใจเห็นการดับของลมหายใจสมมติอย่างเงี้ยนะคะแล้วถ้าเป็นกายยะคตาสติคือในส่วนกายอื่นที่ไม่เกี่ยวกับลมเนะะี่ยค่ะมันจะเป็นยังไงคะในกระบวนการเดียวกันเนี่ยคะการเคลื่อนไหวของร่างกายเ น, น้นที่หนึ่งอันที่สองก็เป็นพวกอวัยวะภายในต่างๆอันที่สามก็เป็นพวกกระดูกที่เบื่อเน่าไปพวกนี้่อาก็มีอยู่สามสี่อันอย่างนี้แหละอ๋ อ, อก็คือเดี๋ยวนะคะจีเพราะฉะนั้นเนี่ย อนาปนสติที่ฉันเข้าใจว่าหน้าที่จะพอเข้าใจกันหมดแล้วก็คือเป็นเรื่องของมีสติอยู่ที่ลมแต่ว่าเนื่องจากว่าลมเนี่ยนับเป็นธาตุหนึ่งในสีของกายดังนั้นในส่วนนี้อนาปานสติจึงจัดว่าเป็นกายะคตาสติด้วยแต่ว่าเมื่อพัฒนามาถึงในเรื่องลงรายละเอียดอันเกี่ยวกับลมในอนาปานสติเช่นการรู้ลมหายใจเข้าหายใจออก และอื่นๆที่มีลมเข้ามาเกี่ยวข้องจะเป็นเรื่องของอาณาปารณสติล้วนๆส่วนถ้าเป็นกายาขัดขตาสติอื่นที่ไม่ใช่ลมอันนี้ราคาที่ฉันจะมาลงรายละเอียดกันต่ อ, อเพราะว่าเราไม่ค่อยได้พูดถึงกันมากสักเท่าไหร่ว่าท่านพูดถึงว่าถ้าเป็นอวัยวะอื่นๆก็คือการมีสติอยู่ในการเคลื่อนไหวของอวัยวะนั้นๆถูกไหมคะของร่างกายอรีบทนะ์เช่นยืนเดินนั่งนอ น, นการกิ น, นเดินพูดคิด ของ อ, อิริยาบถนะคะของ อ, นนอิริยาบถอันนี้อันหนึ่งอีกอันหนึ่งก็คืออวัยวะต่างๆเช่นผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกยื่นในกระดูกพวกนี้ใช่หมดเลยตับหัวใจปังผืดม้าปอดค่ะพวกนี้เดี่ยวกับเมื่อสักครู่ที่ท่านพูดถึงเรื่องอิริยาบถก็คือมีสติอยู่ในการลุกการนัง่งการนอนการยืนอะไรอย่างเงี้ย น, นะคะอทีนี้พอมาถึงผมขนเล็บฟันหนังสติจะมาอยู่กับพวกนี้ในลักษณะใดคะเออเป็นผู้ที่เห็นความไม่งามในกาย ถ้าคุณเห็นความไม่งามในกายนี้เช่นกายนี้ประกอบด้วยผมขนเล็บฟันหนังอันนี้เป็นกยายกระตาสติล ะ, ะ, ะก็คือให้พิจนะารณาเอาไม่งามเอาไวยวะที่มันเห็นได้ชัดอย่างนั้นหนึ่งนะคะทำไมไวยวะมีตั้งเยอะตั้งแยะพระพุทธ อ, องค์ถึงเลือกมาแค่ผมขนเล็บฟันหนังนะคะตรงนี้ห้าอย่างที่พูดสั้นๆนะนะแต่ก็ยังมีเนื้อเอ็นกระดูกเอี้ยในกระดูกตับพังผืดม้ามปอดเส้ใหญ่เส้เล็กอาหารเกา่าอาหารใหม่พวกนี้ เป็นเป็นความไม่งามในกายก็คือสรุปแล้วจริงๆแล้วพูดถึงเรื่องกายทั้งหมดพิจารณาความไม่งามในกายทั้งหมดเนี่ยเป็นกายยาข้าตาสติอันนี้หมดหรือยังคะเนี่ยในส่วนที่เป็นการกระดูกด้วยกระดูกนี่ก็มีหลายแบบแบบที่ตั้งแต่ยังขาวสะอาดอยู่มีเอ็นติดตั้งแต่เอ็นสลายไปแล้วตั้งแต่ชนิดว่าเป็นกระดูกเหลืองๆแล้วแล้วกระดิบเป็นผงก็มี ค่ะถ้าอย่างนี้ท่านพูดในลักษณะนี้ก็เท่ากับว่ากระดูกเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งขอ ง, ของเรื่องการพิจารณาอวัยวะถูกไหมคะกระดูก น, นับเป็นอวัยวะไหมคะอันนั้นจะเป็นนัยยะที่ว่าเห็นความไม่งามในกายกระดูกเนี่ยมีส่วนที่เห็นความไม่งามในกายนะแล้วก็กระดูกที่ว่าเป็นสีเป็นสันอะไรพวกเนี้ยคือเห็นตัวของกระดูกเองไม่ได้พิจารณาวามไม่งามโ อ, อ้เดี๋นะคะเห็นความไม่งามของกายกับประเภท ถ้าพิจารณานนี้คือพิจานาไตรลักษ์ก็บอกว่าไตรลักษ์ของกระดูกนนะะที่ด้านว่านไม่ใช่แค่เรานึกถึงกระดูกเฉยอว่า <ด au S 1> ว่าว่าว่าอย่างนี้นึกว่าอย่างนี้ขอไปนึกว่า <Turn> s. <S สักวันหนึ่งเราก็ต้องเป็นอย่างนี้ไม่ล่วงพ้นจากความเป็นอย่างนี้ไปได้หรือแต่กระดูกอย่างเดียวอะคนเราอะ่ะดิฉันยังเข้าใจว่าเหมืนคล้ายๆกับพิจนะาสุภาษนะคะท่านก็คล้ายๆกันแต่ไม่เหมือนกันทีเดียวนะอันนี้คืออสุภาษณนี่คือตามเห็นความไม่งามในพวกผมคนเล่นฟันหนังพวกนี้อันนี้จะเหมือนกับกายคศสติส่วนนี้ไง เพ้นถ้าถ้ากยายคดัสติเนี่ยก็จะมีส่วนที่เป็นอสุภะเนี่ยเข้ามาอยู่ในกยายคตัสติด้วยอืมอ่าแล้วส่วนเจ้าไอ้ที่ว่ากระดูกอะไรพวกเนี้ยก็คือพิจารณาเห็นว่าเออเราจะต้องเป็นอย่างนี้สักวันหนึ่งไม่ลงพนความเป็นอย่างนี้ไปได้อืมนะคะแหมก็ได้ความชัดเจนขึ้นมาเยอะเลยนะคะถ้าหากว่าไม่ทํางงแบบดิฉันเนี่ยดิฉันเข้าใจว่าท่านฟังท่านอื่นอาจจะบอกคุณสัตว์ีคุณงงอะไรอยู่เนี่ยดิฉันเข้าใจหมดแล้ว ตอนนี้ทันเริเข้าใจตามนะคะนะคะว่าอาทีนี้ทีนี้จะสรุปให้ฟังตรงนี้ว่าโอเควิธีการปฏิบัติอาจจะไม่เหมือนกันอยู่แต่ว่าอ น, นิสงฆ์เนี่ยโอ้เหมือนกันอนิสงฆ์เหมือนกันไม่ถึงระหว่างกายคตาสติกับอนาปนาสติหรือเฉพาะเรื่องกระดูกกับเรื่องของอาสุภาษะค่ะทั้งสองอย่างคืออนาปนาสติกับกายคตาสติเนี่ยมีอนิสงฆ์เนี่ยเหมือนกันอ๋อค่ะอันนี้สงเหมือนกัน เหมือนกันยังไงคะเหมือนกันคือทําให้เป็นผู้แทนตลอดซึ่งถ้าเปรเน่ทําให้เป็นเเกิดแห่ง ป, ปัญญาทําให้กุศลตามที่ยังไม่เกิดก็เกิดขึ้นอกุศลตามที่เกิดแล้วก็ละไปได้อย่างเงี้ยค่ะก็ยยคือว่าทําให้เราหลุดพ้นได้ด้วยใช่ใชใช่ใช่ใชใชไคะถ้าพูดง่ายๆเลยเนี่ยทั้งสองวิธีนี้ทําแล้วก็จะไปเจริญขึ้นเป็นชั้นที่หนึ่งสองสามสี่ในมรรคแปดถูกต้องถูกต้องนะะวันนี้ได้ความรู้เยอะจริงๆเลยเรื่อยมาตั้งแต่ นอนได้ถูกต้องแลวรู้ว่านอนที่ไม่ถูกต้องคืออะไรรู้ว่าการอูนิดอูหน่อยไม่ตลกนะมันมันเป็นผลที่ไม่ดีและรู้ว่าการปฏิบัติอานาปนาณสติกกับกายคตาสตินั้นมีความเหมือนมีความต่างกันอย่างไรแต่ที่สรุปสุดท้ายเลยก็คือว่าเป็นการเหมือนกันคือเป็นการภาวนา เป็นวิธีการภาวนาอีกอย่างหนึ่งที่พาเราไปถึงอานิสงส์งเดียวกันคือหลุดพ้นได้ก็รู้สึกจะหมดเวลาแล้วค่ะวันนี้ลาเราหน่อยก็แล้วกันนะคะน้อมสักการขอบพระคุณท่านบูรือเป็นอย่างยิ่งค่ะอาจารย์ปานสำหรับท่านที่ต้องการจะส่งคําถามไปยังท่านบูรือนะคะท่านอยู่ไกลที่อุดรวัดปา่าดอนหายโศกก็ไม่ใช่วัดที่อยู่ในเมืองใหญ่ๆแต่ว่าก็ยังพอมีสัญญาณอินเทอร์เน็ต ใช้นะคะดังนั้นท่านพิบูรณ์ก็เลยหนีการทำงานแต่ไม่พ้นไม่ว่าจะอยู่ในวัดที่เป็นสถานที่จัดหลีกเลน่นก็ยังต้องมาจัดรายการให้กับพวกเราได้ฟังกันแล้วก็อย่างไรก็ตามเนี่ยนะคะท่านก็มีพื้นที่ให้พวกเราติดต่อกับท่านได้ในโลกของไซเบอร์ที่แสนกว้างไกลที่ p พียวธรม .com/106 นะคะส่งคำถามไปที่นั่นหรือว่าจะไปเปิด เว็บของท่านเนี่ยแล้วก็ไปเสพ็จทำในลักษณะที่ไม่ใช่รายการสัมมนีสนทนาท่านก็มีหลายหลายลักษณะด้วยกันนะคะให้พวกเราเข้าไปถึงล้นแล้วแต่เป็นเรื่องที่ท่านเป็นพระภิกษุที่เข้าถึงความทันสมัยได้นะคะสำหรับในตอนนี้เราก็ลาท่านฟังที่ครบทุกท่านกันไปถึงเท่า น, นี้ค่ะพุทธวจสดีค่ะ